บรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งพระธรรมคุณบดว่าเอหิปัสสิโกที่แปลว่าควรเรียกให้มาดูมาชมได้นั้นเป็นการชักชวนให้พิสูจน์ความเป็นสัจธรรมแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งศัสรุและนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกซึ่งธรรมะเหล่านั้นย่อมทนต่อการพิสูจน์ทดสอบทั้งในด้านการศึกษาด้านนำไปเพ่งพินิษพิจารณาและลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะในข้อที่ว่าธรรมะที่พระพ ภ, ภาธเจ้า ทรงแส ด, แดงนั้นมีความมหัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นโดยสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลที่บุคคลเมื่อประกอบเหตุไปแล้วย่อมได้รับผลตามสมควรแก่สัดส่วนของเหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปสาหรับในที่นี้ จะยกตัวอย่างธรรมะที่พระพุะาคเจ้าทรงแสดงถึงผลอย่างสูงในการปฏิบัติธรรมะคือจิตที่มีความสงบความดับเจ็นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งเป็นผลที่บุคคลต้องการและปรารถนากันโดยทางศาสนาใช้คำว่านิพพาน ที่แปลกันว่าความดับซึ่งโดยเจาะจงจริงๆแล้วหมายถึงความดับกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อดับตัวเหตุได้ความทุกข์ก็ชื่อว่าดับไปแต่นิพพานาศัพท์ที่ใช้ในโวหารทางศาสนานั้นบางครั้งก็หมายถึงการดับกิเลสดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น ด้วยการใช้สติบ้างใช้ปัญญาบ้างเป็นหลักในการกำหนดระลึกรู้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของการไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็บันทอยับยัง้งอารมณ์รุนแรงเหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างที่ท่านใช้คำบาลีว่าททังยะวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆหรือในขณะนั้นๆ และสงช้ยคำบาลีว่าสันนิธิกังนิพพานังคือเป็นความดับที่บุคคลจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองและความดับในชั้นหนึ่งซึ่งมีช่วงการดับที่ยาวนานกวา่าสามารถสงบกิเลสและเพลิงทุกข์ได้นานวาวกว่าเวลาการปฏิบัติตามสมถกรรมฐานที่สงแสดงเอาไว้ เมื่อขั้นตอนเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องผลก็จะเกิดขึ้นเป็นสมาธิเป็นฌานไปโดย ด, ดังดับสัาบใดที่ใจ ย, ยังสงบอยู่หรือฌานยังไม่เสื่อมไปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นกลุ้ม ร, มรุมใจของบุคคลอาการกายว่ า, าใจก็จะเป็นไปในคันลองแห่งสุดจริธรรมนำความสงบเจนมาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลดอกนั้น และความดับชั้นสูงสุดซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความสมบูรณ์แห่งองค์อริยมรรคที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วก็จะกลายเป็นการตัดกิเลสขาดในจุด น, นั้นบ้างด้วยประการทั้งปวงบ้างความสุขที่ถาววรก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่เหตุนิพพานจึงเป็นผล เป็นเป้าหมายที่บุคคลจะต้องพุ่งไปให้ถึงเท่านั้นเองเมื่อถึงก็คือถึงเท่านั้นในที่นี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นรูปของภาษีในยะหนึ่งว่านเรชนผู้ต้องการมีใจที่เข้าถึงนิพพานจะต้องละความเคลิมหลับความเกียดคร้าน การคุ้กคีด้วยความประมาทและไม่พึงตั้งอยู่ในอธิปันธซึ่งกลายเป็นธรรมะที่จะต้องละเว้นห้าประการด้วยกันการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งแสดงในส่วนที่ต้องละบางครั้งแสดงในส่วนที่ต้องลงมือประพฤติกระทำซึ่งจะแสดงโดยนยดิยัดใดก็ตาม เมื่อบรริบัติไปแล้วผลก็จะออกมาโดยทํานองเดียวกันเรื่องของความเคลิมหลับหรือความหลับนั้นทางศาสนาจำแนกเอาไว้เป็นสองพวกด้วยกันพวกแรกเรียกว่าขันธนิสาคือความหลับแห่งขันเป็นความต้องการของร่างกายที่จะต้องมีการพักผ่อนหลับนอนตามปกติธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้น พระพุทธศาสนาก็สอนให้บุคคลพยายามหลับนอนแต่เพียงเล็กน้อยเมื่อเต็มตามความประสงค์ของร่างกายแล้วก็ให้ลุกขึ้นการนอนแบบชาวพุทธจึงนอนด้วยมนาสิการว่าจะลุกขึ้นคือทำคือตั้งใจไว้ว่าจะลุกขึ้นไว้ภายในจิตใจเมื่อตื่นแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่แสวงหาความสุขด้วยการนอนการเคลื่อนหลับการเอน็นคัง ก, การใช้เวลาให้ผ่านไปในลักษณะนั้นชื่อว่าเป็นการพร่าพรานเวลาอันมีค่าของตัวเองให้สูญสิ้นไปการหลับมากจนเกินไปจึงถือว่าเป็นโมคะคือความว่างเปล่าของชีวิตทำให้สูญสิ้นสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้จะพึงไม่การหลับถ้าหากว่าหลับตามความต้องการของร่างกายแล้ว จะใช้เวลาไม่มากนักก็สําคัญให้หลับจริงเท่านั้นเองและความหลับที่สําคัญก็คือความหลับด้วยอํานาจของกิเลสซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวการกระทําไปไหนมาไหนได้นี่เองแต่ถ้าหากว่าถูกบงการจากกิเลสถูกกุเลรกิเลสกระซิบเตือนถูกกิเลสสั่งให้ทําให้พูดให้ซื้อหาก็ชื่อว่าเป็นความหลับประการนึ่ง และเป็นความหลับอย่างแท้จริงโอกาสที่จะตื่นขึ้นมานั้นยากได้เกินดังนั้นเมื่อทรงจำแนกปุกคนเอาไว้เป็นสองกลุ่มจึงทรงแสดงว่าคนที่มุ่งไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานนั้นมีจำนวนน้อยคนส่วนมากจะเลาะเรียบไปตามฝั่งเท่า น, นั้นเองเรื่องของการแสวงหาความสุขจากการเครื่อนหลับ หรือการหลับนอนจุดมุ่งหมายให้สมเร็จประโยชน์ตามความต้องการของร่างกายก็เพียงพอแล้วถ้าเกินจากนั้นชื่อว่าเป็นข้อควรเกี่ยการละเวน้นประการที่สองคือเรื่องของความเกลียดคร้านความเหนื่อยหน่ายความระอาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางร่างกายบ้างและเหตุผลทาง จ, จิตใจบ้างที่ท่านใช้คาว่า ความบิดเบือนการบิดขี้เกียจเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจอาการเหนื่อยหน่ายท้อถอยระอาหวาดกลัวต่อการงานที่จะต้องจัดต้องทำเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อบุคคลตกอยู่ในสภาพเหล่านี้จะมีเงื่อนไขอ้างเพื่อให้มีความรู้สึกว่า ตนไม่ใช่เป็นคนเลวทามอะไรแต่เพราะว่าเวลายังเช้าอยู่บ้างสายแล้วบ้างหิวบ้างกระหายบ้างจึงยังไม่ได้ทำการงานเท่านั้นเองดังนั้นในชั้นทั่วไปของการดำรงชีวิตพระพุทธเจ้า จ, จึงทรงแสดงว่าเป็นอบายยมุขและถ้าหากว่าเกี่ยวข้องครุกครีอยู่ด้วยความเกียดคร้านร่ำไปแล้ว ก็ทรงแสดงว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์หรือประสบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตยิ่ยงการปฏิบัติกิจการงานซึ่งมีความละเมียดระมัจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะสูงเช่นการปฏิบัติกรรมฐานล่านี้ความเกียดคร้านยิ่งกลายเป็นอุปสรรคมากเพราะจิตใจจะอ่อนแอไม่เข้มแข็ง การปฏิบัติทางจิตต้องการความเข้มแข็งของจิตเมื่อจิตอ่อนแอเสแล้วโอกาสที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตก็มีไม่ได้และข้อที่สามก็ทรงสอนให้ไม่คลุกคลี ด, ด้วยความประมาทเรื่องของความประมาทเป็นที่สรุปรวมธรรมะในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาเป็นเวลาถึง 45,000 ป่าและในที่สุดก็สรุปรวมลงที่ความไม่ประมาทปัะชิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปิณิพานและไม่รับสั่งอะไรอีกเลยนั้นได้จัดว่าลูกก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเถิดดังนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการละบาปก็ดีการบำเพ็ญบุญก็ดีการบำเพ็ญเ พ, เพียพรภาวนาในชั้นต่างๆก็ดีเป็นเรื่องของความไม่ประมาททั้งนั้นเมื่อกล่าวถึงกุศลและธรรมที่บุคคลจะต้อง ประพฤตปฏิบัติแล้วทรงแสดงว่าสรุปรวมลงที่ความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าสาัตว์ทั้งหลายในโลกนี้รวมลงได้ในรอยเท้าช้างคือรอยเท้าช้างเป็นรอยที่ใหญ่กว่าสาัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เช่งใดกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมีความไม่ประมาทเป็นยอดสรุปรวมลงในความไม่ประมาททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อริมักมีองค์แปดหรือเรื่องของธรรมะเหล่าอื่นก็ตามและแม้แต่ความเป็นพระอาหารหันต์ที่ดันใช้คําว่าสติวิปุโลคือเข้าถึงความไพ่บูรณ์แห่งสติมีสติเต็มบริบูรณ์ก็คือความไม่ประมาทที่สมบูรณ์นั่นเองธรรมะคือความไม่ประมาทจึงได้รับการสันเสริญไว้โดยอเน ก, กปริยายในชั้นของการดํารงชีวิตทรงเชื่อเห็นว่า ความประมาทและความไม่ประมาทเป็นตัวกำหนดค่าของชีวิตที่แท้จริงคนใดก็ตามถ้าหากว่าอยู่ด้วยความประมาทแล้วถึงแม้จะยังมีชีวิตเดินเหินไปไหนบา ไ, ไ, ไหนได้ก็ชื่อว่าตายแล้วเป็นการตายจากคุณธรรมความดีตายจากขนที่ตนเจพึงได้จากอัตภาพที่เป็นมนุษย์ แต่ว่าคนซึ่งไม่ประมาทแม้ว่าตายไปแล้วก็เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จึงทรงแสดงไปในรูปของทางการประพฤติปฏิบัติว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายหรือเป็นทางอมตะและความไม่ประมาท น, นเมื่อก่าวโดยปริยายแห่งธรรมะ ตำหนดขอบข่ายกว้างๆลงไปก็คือการที่บุคคลให้ความสำคัญแก่กาลเวลาที่มาถึงเข้าเพราะคนเราตามปกติแล้วก็จะเฉือนกันตอนการใช้เวลานี้เองดังนั้นในยะหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความประมาทแล้ว ก็สู้คนซึ่งมีชีวิตยอยู่แม้เพียงวันเดียวแต่ไม่ประมาทไม่ได้ซึ่งก็หมายความว่าอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าประมาทมันก็ไม่ได้สาระอะไรขึ้นมาในทํานองตรงกันข้ามคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ใช้กาละเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงสร้างผลอันเป็นแก่นสารแห่งชีวิตได้เกิดขึ้นได้ทั้งในชั้นของศีลสมาธิปัญญา และแม้แต่ในชั้นมักผลทางพระพุทธศาสนาความไม่ประมาทจึงเป็นตัวกำหนดค่าของการใช้ชีวิตที่แท้จริงว่าเวลาแต่ละขณนะ็นช่วงที่มาถึงเข้านั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรก็อยู่ที่การใช้เวลาไปด้วยความไม่ประมาท <c oughs> เมื่อจำแนกโดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจ ก็ส่งสอนให้บุคคลไม่ประมาทในการที่จะละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตละวิจิทุจริตประพฤติวุจริตรละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตเพราะอะไรเพราะว่ากุศลหรืออกุศลจะเกิดขึ้นก็อาศัยกายวาจาใจเท่านั้นเองอกุศลนั้นแม้จะมีเพียงเล็กน้อยกไ็ไม่ควรประมาท เหมือนไฟที่ติดขึ้นจุดแรกเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าบุคคลประมาทแล้วไฟนั้นก็อาจจะลุกไหม้ไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นจึงทรงสอนไว้ว่าบุคคลไม่ควรรุมินบาปว่ามีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทำาลาชนะซึ่งรองรับไห้เต็มได้เช่นใด การที่บุคคลมีความพอใจมีความยินดีในบาปในอกุศลมีการสะสมบาปไว่บ่อยๆในที่สุดจิตใจจะเต็มไปด้วยบาปเต็มไปด้วยอกุศลเช่นเดียวกันเช่นนั้นและเมื่อได้แสดงถึงกุศลก็ได้รับสั่งไว้โดยในยเช่นเดียวกันตัวการสำคัญที่จะออกมาทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนั้นทรงสอนว่าไม่ประมาทในการที่จะละความเห็นผิด ทำความเห็นได้ถูกต้องในชั้นที่ละเอียดประณีตทั้งในขั้นของสังสา ร, รวัฏในขั้นของกรรมและในขั้นของมรรคผลนิพพานก็ทำเป็นเพียงขณะจิตเท่านั้นเองที่จะเป็นตัวกำหนดบทบาทต่างๆและความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของคนคล้ายๆกับขับรถไปบนถนนจะตกลงข้างถนนนั้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เวลามากมายอะไร ดังนั้นในชั้นของของกรรมที่จะออกมาเป็นรูปกุศลหรืออกุศลก็เป็นเรื่องของขณะที่บุคคลตัดสินใจกระทำอะไรลงไปในชั้นของผลที่บุคคลจะต้องรับทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็เป็นเรื่องของขณะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตพองแพร่ก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติ เมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในทุกกติกคำว่าเศร้าหมองหรือผ่องแผ่วนั้นเป็นเพียงขณะจิตก่อนดับเท่านั้นเองที่ท่านใช้คําบาลีว่าอาสันนักรรมคือกรรมเมื่อจวนจิตจะดับเท่านั้นดังนั้นความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวกําหนดบทบาทที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและความนึกคิดของบุคคล ถ้าเริ่มต้นด้วยสมาธิทิฏฐิได้ยังอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรและบุคคลไม่ควรประมาทคือปล่อยการเวลาที่จะละมิจฉาทิฏฐิให้ออกไปเพราะไม่แน่ว่าอาจจะตายไปท้งที่จิตเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ได้ถ้าหากว่ามิจฉาทิฏฐินั้นรุนแรงซึ่งสันใช้คำว่านิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วมีโทษรุนแรงมากกว่าอนันตริยกรรมเลยทั้ไป อนันตเกรรมถือว่ากรรมหนักที่สุดในฝ่ายอากุศลแต่เมื่อเทียบกับความคิดเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิประเภทดิ่งแล้วอนันตรกรรมมีโทษน้อยกว่าดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องไม่ประมาทในการที่จะละความเห็นผิดมาทำความเห็นให้ถูกต้องจะจะถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงศัสรุแล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงเอาไว้เพระาะแม้คนอื่นจะแสดงอย่างไรจะอธิบายไว้อย่างไรก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้ศัสรุความเข้าใจของเขาเหตุผลของเขานั้นเพียงแต่รับฟังไม่ได้เท่านั้นเองส่วนข้อยุติที่สมเหตุสมผลจริงๆถูกต้องจริงๆต้องกราบทุลถามพระพุทธเจ้าว่าข้อนี้พระองค์แสดงไว้อย่างไร นั่นก็คือตรวจสอบจากหลักฐานต่างๆที่ทรงแสดงไว้ในที่นั้นในชั้นของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางจิตโดยตรงและเป็นฐานที่จะให้เกิดความส ง, งบภายในจิตนั้นก็คือเรื่องของประสาทสัมผัสที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรสถูกต้องโภภพฏฐาลนั่นเอง ในข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่าอายตนะนั้นมีเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ได้มีอยู่เพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลบุคคลจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ได้มหาศาลถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็พร้อมที่จะทำลายตัวเองให้พินาศไป แล้วท่านก็เฉลยว่ามีให้เกิดประโยชน์ก็คือมีด้วยความสํารวมระวังมีสติกํากับพิร ต, ตาเห็นรูปเป็นต้นระวังใจไม่ให้เป็นตัวดึงเอากิเลส ต, ต่างๆมาเพิ่มให้สูงขึ้นภายในจิตใจนี่ชื่อว่าใช้อายตนะให้เป็นประโยชน์เพราะว่าตัวอายตนะเองนั้นจะต้องเสื่อมจะต้องสลายไปในโอกาสหนึ่ง เป็นของหยิบยืมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มีการผ่อนส่งกันเป็นระยะระยะจึงจะเห็นได้ว่าตาก็เริ่มจะเสื่อมไปหูก็เริ่มจะเสื่อมไปจมูกก็เริ่มจะเสื่อมไปเป็นต้นคือแต่ละส่วนก็เริ่มจะเสื่อมไปเป็นการผ่อนชำระอยู่เรื่อยๆบางโอกาสบางครั้งบางคราวร่างกายยังไม่แตกดับเขามาทวงคืนไปหมดเลยหูได้ยินหูก็ไม่ได้ยินเสียงตาไม่ได้เห็นรูปเป็นต้น แต่ว่าช่วงที่มาอยู่ในมือของเจ้าของของผู้ใช้อายตนะรานั้นท่านก็สอนให้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้มากคล้ายๆกับยืมของเขามาใช้งานแต่ใดอย่างหนึ่งก็รีบใช้ใช้แต่เดี๋ยวจะต้องคืนครับเวลาเขาคืนมาเขามาทวงคืนเรายัางไม่ได้ใช้นันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรคิดมาดังนั้นการสำรวมระวัง จึงได้มีการแนะนำสั่งสอนไว้ในชั้นต่างๆเป็นนั้นมากในองค์เรยมา ก, ก็ต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรพระว่าสื่อที่จะให้เกิดกุศลกับอกุศลมันมาทางกลางๆของอายตนะนี่เองถ้าหากว่าขาดการสำรวมระวังมีอายตนะไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์ก็คล้ายๆกับว่ามีเงินมีทองแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็กลายเป็นปูโสมฝ้าวซั์ หรือว่ากลายเป็นสะโบกกรณีที่ยักินีรักษาคือไม่อำวยประโยชน์อะไรให้แก่คนอื่นสัตว์เอตัวยตนะเป็นกลางกลางการแสวงหาผลจากอาญตนะก็คือความสำรวมระวังความสำรวมระวังในชั้นแรกท่านเรียวกว่าอินทรียนสังวรคือสำรวมก่อนที่อารมณ์จะผ่านมาถ้าดีก็ปล่อยให้ผ่านเข้ามาถ้าไม่ดีก็ไม่ให้ผ่าน แต่ว่าในชั้นของจิตใจก็ให้สํารวมระวังเวลาเกี่ยวกับความนึกคิดตลอดถึงตอนที่รับอารมณ์ภายนอกเข้ามาคือไม่ให้จิตเกิดความกาหนัดรักใคร่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดรักใคร่ไม่ให้ขัดเคืองคับแค้นอาฆาตพยาบาทในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองคับแค้นอาฆาตพยาบาท ไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงแต่ไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ทรงจำนาาแนกแสดงไว้เป็นสี่อย่างนั้นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นการเพิ่มปริมาณกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นการเพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพิ่มโมหะ อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นการเพิ่มความประมาทคือถ้าเพิ่มหมดทั้งสี่ชุดก็จบสิ้นกันดังนั้นในการปฏิบัติจึงทรงสอนเอาไว้อย่าให้ประมาทและในขณะเดียวกันก็พยายามบรรเทาเรื่องชีนะมิทะคือความเสื่องซึมความง่อยๆความงองๆ ค, ความเหนื่อยหน่าย ความคล้านกายคลานจิตต่างๆซึ่งมามันเกิดขึ้นและจะต้องพัฒนาจิตใจไปจนถึงจุดหนึ่ง <c oughs> ที่สามารถบรรเทามานะที่ใช้คําว่าอาติมาเ น, นาะนจิเถอทยาะคือไม่ถึงพึงตั้งอยู่ในอติมานะได้แก่ความดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นอาการดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นหรือการตีเสมอ หรือการยกตนเทียมท่านตลอดถึงการแข่งดีเป็นอาการของกิเลสที่ฟูขึ้นปรารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวเห็นว่าตนมีความสำคัญในฐานะนั้นๆอาจจะอาศัยสกุลทรัพย์สินเงินทองฐานะทางสังคมวิชาความรู้ตลอดถึงยศศักดิ์ตาแหน่งเป็นต้นสร้างความรู้สึกขึ้นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าหนักเข้ามันก็กลายเป็นความสบปรามาดดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นถ้ารุนแรงขึ้นไปแล้วจะไม่มีใครดีเลยในโลกนี้มีตัวเดี ย, ย่คนเดียวนี่คือความรุนแรงของกิเลสดังนั้นผลจากการปฏิบัติธรรมดังกล่าวการละอกุศลธรรมดังกล่าวคือความเห็นแก่การหลับการเครื่อมหลับความเกียจคร้าน ความประมาทและความห ด, ดหูซึ่งมึรจะต้องมีผลจริงๆคือออกมาในรูปของการละมานะได้กิเลสที่พูดได้ละในที่นี้ก็มีเพียงมานะแต่เมื่อละมานะได้ไอความรู้สึกว่าเป็นของเราก็ละได้ความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ละได้และแม้แต่ความเป็นตัวเป็นตนของเราก็ละได้ เมื่อนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงนิพพานคือความดับเย็นเป็นการดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วการกำหนดตรวจสอบธรรมะเหล่านี้จะอำนวยผลให้จริงหรือไม่ในชั้นของการดำรงชีวิตถ้าหากว่าบุคคลอาศัยในยะแห่งธรรมะ ที่ส่งสอนให้บันเทาให้ละทั้งห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วบุคคลจะสัมผัสธรรมะเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองว่าไม่มีความเล่าร้อนไม่มีความคุนเคืองไม่มีความหงุดหงิดงุนง่านไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ากาลเวลาที่มีอยู่นั้นได้ใช้ไปกอบด้วยสาระประโยชน์ มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติภ า, ารกิจการงานอยู่ด้วยความไม่ประมาทจิตใจไม่เกิดอาการเซ็งอาการหดถูอาการเคลิบเคลิม้มเหนื่อยหน่ายคลางกายคลางจิตเป็นความโปร่งเบาเป็นความเข้มแข็งเป็นความกระหายปรากฏรุดูภายในจิตและไม่มีความเยอะยิ่งด้วยมานาต่างๆในชั้นของเวนไพรชื่อว่าเป็นการสงบระ ง, งับดับเวนไพร ในชั้นของจิตใจจิตจะสงบอยู่ด้วยธรรมะที่ได้สร้างให้้างที่ได้สร้างให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นดังนั้นเมื่อธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ความดับเย็นจากเพลิงกิเลส ต, ต่างๆก็มีอยู่และเมื่อปฏิบัติให้บริบูรณ์สมบูรณ์จริงแล้วก็จะเข้าถึงผลที่ต้องการ ในทางศาสนาคืนนิพพานแต่ก่อนจะถึงนิพพานเป็นเป้าหมายปลายทางนั้นบุคคลจะสัมผัสผลคือความดับเย็นในฐานะนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยไปซึ่งเป็นข้อที่ท้าทายเชิญชวนให้คนมาพิสูจน์แล้วเมื่อพิสูจน์แล้วก็จะเห็นได้เข้าใจได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิพนิพจนา จากผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบเสื่อต่อไป